ญาพี่น้องที่รับตลอดกระทั่งอุบาจกบัติกาบรรกชิตคลิหัสวันนี้เป็นวันธรรมสุวระเป็นวันพระ <c oughs> ที่เราอย่าลดละสร้างความดีในวันธรรมสุวระคือวันพระเพะกอบประโยชน์ให้แก่ตนสร้างกุศลให้แก่ตัวเอง ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วแล้วแต่ใครมีบุญวัสนาเถิดประเสริฐที่สุดอยู่ตรงนี้เป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของท่านผู้เป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาทั้งหลายจุดมุ่งหมายตรงนั้นเราจะไปสร้างบุญกุศรแต่ต้องคิดถึงตอนก่อนเอาบุญมาใส่ใจ ปฏิบัติกรรมาฐานแสดงออกซคร่งเมตตาท่านจะได้บุญมากมายหลายประการตรงนี้เป็นจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของท่านที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาคงไม่ผิดหวังบุญตรงนี้สำคัญมากกุศลตรงนี้มีความหมายมากทำให้เราเกิดคุณสมบัติชีวิต ทำให้เรารู้ตัวเองว่าชีวิตนี้หนอมีค่ามากแล้วเราจะได้ทราบตามมาถูกประสงค์ของเราเองว่าชีวิตมีค่าเมื่อใดแล้วเวลาที่หมดไปจะมีประโยชน์เท่ากับค่าชีวิตที่มันเสียดายที่มันหมดไปเปล่าปราะศะจากประโยชน์ี๋ยวเราก็ตายจา ก, กันไปแล้วอะไรหนอจะมีประโยชน์กับชีวิตบ้าง อะไรหนอจะคิดว่าชีวิตนี้มีค่าอะไรหนอชีวิตนี้ค่าของชีวิตคือเวลาที่หมดไปเราจะไม่ได้อะไรไว้เหลือติดในร่างกายสังขานจากโลกโมนุษย์ไปสู่สัมปริยพภพจะไม่มีคุณค่าของชีวิตบุญกุศลจะช่วยท่านไม่ได้ต่าก็ต่างโคนต่าง ม, มาต่างโคนต่างไป ชีวิตนี้จะลายสละชีวิตนี้ท่านจะไม่มีค่าเวลามาสร้างความดีหาอาหารให้จิตกินเนี่ยมีเวลาน้อยแต่เอาอาหารให้กิเลสกินน่ะมีเวลามากจิตใจก็หลั่งไหลไปสู่ที่ต่ำโดยไม่รู้ตัวอาจจะน่าเสีดายชีวิตที่ท่านเกิดมาในสายโกลโลกมนุษย์นั้นจะผิดหวังตอนตายจากโลกมนุษย์จะเสียใจ มาตอนนั้นแล้วก็ท่านจะว่าเวตอนเจ็บระห่วยปวดค่้จะหาที่พึ่งทางใจไม่ได้แล้ประโยชน์หรือจะเกิดขึ้นกับท่านอะไรหนอจะเป็นค่าของชีวิตอะไรหนอที่จะเดินทางไม่ไผทิศผิดทาหรือโ ก, กจราจรชีวิคตตุ้งค่าเวลาที่หมดไปแล้วบัดนี้บัดนั้นพระอาทิตย์ก็หมดไปหนงวัน เลี้ยวลัดอัสดงโคดบักนี้ได้ตกไปซะแล้วชีวิตเราก็ยอมตกไปตามวันเวลาอายุของโยมก็หมดไปหนึ่งวันแล้ววันนี้แต่จะหมดไปหนึ่งคืนเช่นในวันนี้นะั้นพรุ่งนี้เชา้าชีวิตใหม่ก็เข้ามาแทนที่โปรดกรุณาสร้างความดีเทิดประเสริฐที่สุดแล้วเป็นที่น้าหินใจมาก แต่บางคนก็ตีค่าต่ำเพราะท่านไม่รู้เวลาที่มีประโยชน์จนตีค่าชีวิตไทยต่ำต้อยถอยหลังลงครองชีวิตจะหมองใจจะเศร้าโทมนัทจะเข้ามาความคิดดีจะลา้าเข้ามาสู่ที่ความดีจะหนีปัดแต่จะไม่ได้อะไรไว้กับตัวเองเลยคนไทยชาวพุทธเสียดาย ไม่เดยทราบความดีให้กับจิตใจอาหารใจไม่ให้กินเอาไปกินอาหารจิตที่มันมีกิเลสผัวทันมีความหมายมากแต่แล้วเราก็ไม่เคยสร้างความดีกับตัวเลยได้สร้างความร้สะละอยู่มากหลายเป็นที่นาชิญดายมากเกิดมาก็ยหยเสียชาติเกิด เกิดมาทั้งทีโปรดเอาดีสียให้ได้ไหนเจ้าจากโลกไปท้องทีมีความดีทิ้งไว้ให้เขาได้แล้วก็มีความดีติดวิญญาณของโยมไปในซ้ำประยะิยภพจะได้มาปลาลบปฏิบัติธรรมกันเช่นในวันนี้ถ้าท่านมาด้วยศรัทธาเช่นในวันนี้มีวิยาลรละสารพัชช่างบังรักกรุงเทพมหานคร ท่านผู้ช่วยภู้นวยการในหน้าที่กิจกรรมของนักศึกษาตลอดกระทั่งภู้นวยการเห็นดบเห็นดีที่มาสร้างความดีเช่นในวันนี้จึงได้อนุมัติโครงการให้แก่นักศึกษาและอมที่ได้ผลคณะครูบาจารย์ที่ลึกซึ้งคณะครูที่มีวิญญาณของครูประทับจิต เป็นครูที่ครุครูเห็นดวงตาถับเป็นประการสำคัญที่ครูท่านมีวิญญาณครูสิ้นแต่จึงหาทุกสิ่งเป็นประโยชน์ของครูแต่ครูอีกพวกหนึ่งไม่มีวิญญาณครูเลยสอนให้หมดห่วยกิตไปวันหนึ่งเท่านั้นไม่มีโอกาสที่เอาความดีเข้าไปหาหนักศึกษาเอาแต่ความรู้เท่านั้น เทคโนโลยี <Technology S 2> ในเหตุาการณ์นั้นแต่พุทธโลยีให้คนนักศึกษาหรือผู้ร่วมงานนั้นด้วยมีเมตตาในธรรมะสามัคคีกันด้วยเมตตาคนนั้นจะปลองลองบรรยาพี่น้องรวมกันนี่คือญาติระพุทธศาสนามีประโยชน์แก่ท่านเองแต่จะเห็นดธรรมะ ดวงตาอันดำเกิดใสสะอาดแสงสว่างเกิดธรรมะเกิดขึ้นในดวงตาดำที่มันมืดอยู่ในตัวท่านชัดเจนตัวท่านกระตาดำก็กลายเป็นตาขาวแสงสว่างจ้าทําให้เราเห็นเหตุการณ์ไกลลรือใกลจะเห็นสั้นดีกว่ายาวหรือจะเห็นยาวดีกว่าสั้นมันจะออกมาเป็นวิญญาณ ระทับใจของครูอาจารย์เรียกวัครลุเป็นครูที่มีวิญญาณครูสิงทุกสิ่งสอนได้เมตตาไม่ปราถนาการตอบแทนของลูกศิษย์ต้องการสอนทั้งความรู้ทั้งความดีสู้งานฐานะโกดีจะได้มีปัญญาเขาเหล่านั้นจะได้ออกไปแก้ปัญหาได้อย่างนี้วิญญาณครูสิงครูอีกพวกหนึ่ง สอนเอาหน่วยจิตสอนเอาเงินเดือนก็เป็นครูรับจา้างได้เดือนหนึ่งก็หมดเดือนหนึ่งไม่มีสิ่งใดจะเป็นวิญญาณแลว้วก็แชร์เชือนในสังคมของพวกครูอยู่มากมายหลายประการหน้าสีนายครูโรงเรียนสพชและดับกรมสามมาศึากษาตลอดกระทั่งวิทยาลัยทุกแดนถัด มีแต่พานักศึกษานักเรียนไปเที่ยวทัศนจรแต่บอกพามาวัดสร้างความดีพอ อ, อบอกว่าไม่ควรมาให้เสเวลาก็พออประเภทนี้หันหลังเข้าวัดหันหน้าขาวิตหาความสนุกในสังคมลูกพออคนนั้นจะดีไม่ได้ดูลูกของครูในอนาคตเขาจะดีเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้เขาปิดประตูคาของนักเรียน ปิดประตูค่าของคนที่จะสร้างความดีแล้วหมดโอกาสเธอแล้วหรือพอออกก็ฝากไว้ได้ยินมาเองหลายพอออกอาจารย์เอาเด็กไปวัดทาไหมมันเสียเวลาเรียนก็ปิดเทอมไหมนะก็ปิดเทอมยายเสียเวลาไปทัศนศึกษาโนผ่าตายผาาเหมียแล้วเอาลูกเข้าไปรถโดนชนตายก็ไม่ผิดครอาจารย์ไม่ผิด ผู้ปกครองเซ็นรับรองให้แล้วถูกต้องของท่านแต่ไม่ถูกวิธีปฏิบัติเลยพฤติไนไม่ถูกต้องเชิงปฏิบัติการไล่ความหมายมิตรความรู้เขาเหล่านั้นไม่สูงงานเลเพราดผาดออกภายนอกประเด็นนั้นเขาจะมีกฎแห่งกรรมติชนะปักหลังไปถึงหลานลูกหลานผออกผู้นั้นจะเอาดีไม่ได้สหักรางคันจะหน้าสินด้ จะน้ำไหลออกตาตอนแก่เขื่อออกตอนหนุ่มสาวไม่เป็นไรจะไปน้ำไหลออกตาตอนแก่นี่มันแย่ลุงป่าจะว่าเวหาที่พึ่งทางใจไม่ได้นี่พออออดก็ฝากไว้าอาตมาจึงรู้วิญญาณของครูชัดสปช อ, อาจาร ย, าย์ใหญ่เจ็ดปดอยทั่วประเทศได้เลือนออกลาไปรับมาเดือนไม่กลับกินเหล้าเมายามากมาย นาเสดายไม่ไดไ้ดูลูกดูเมียดูครอบครัวแต่ประการได้ออกมาในบทนี้คือวิญญาณครุไม่น่าจะเป็นแบบที่ดีของอกุศลเป็นคลุเป็นครูได้ยากขาโอกาจได้ยากมากนี่แหละท่านสาธุชนที่หลักขอให้ฟังโลกคิดท่านจะรู้เหตุการณ์ของท่านด้วยกระดิกสร้างสรรค์ท่านจะกลับไปคิดพิจารณาตอน เริ่มดันเงินงานเชืใหม่สร้างความดีในวิญญาณจะสร้างผลงานให้กับลูกศิษย์มีความสูงอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณของครูวิญญาณแบบอย่างแบบแผนเนแปลนสร้างแบบสร้างแผนสร้างแปลนไดีให้เห็นด้วยทัศนศึกษาโดยทัศนาภาพและเอกลักษณ์เข้ามาสู่จุดมุ่งหมายเป็นเอกภาพถ้าไม่คนนั้นรู้จึกนึกคิด ทำให้มีชีวิตจำใจชื่นอกชื่นใจในนาพุการเบื้องหน้าตึกต่อไปขอฝากคณาจารย์ท่านวิชัยลายสาพชักเห็นจริงหรือไม่ก็ไม่ว่ากันเพราะคนเรามันมีหลายประเภทคิดแล้วนานาชนิดมีความคิดหลายอย่างไม่เหมือนกันแค่พี่น้องท้องเดียวกันก็ไม่เหมือนกันไม้ไผ่ต่างกล้องพี่น้องต่างใจสามีภรรยาก็ไม่เอาไหนกัน นี่หรือจะหาความสุขในครอบครัวนี่หรือจะหาความสุขในสังคมของตอนนี่หรือจะหาความสุขในวิทยาลัยคงไม่ได้แล้วต่างคนต่างมีทิฐิต่างคนต่างลิเรมดำเนิน ง, งานไม่ตรงเป้าหมายและไม่ถูกวัตถุประสงค์จะเอาแต่วิชาการมาสอนเทคโนโลยีเทคโนโลยีแต่พุโทธโลยีที่จะแก้ปัญหาให้ลูก แต่ปัญหาครอบครัวไม่มีเลย่าจจะเสียใจต่อภายหลังพุทธ โ, โลยีนั่นคือโลกุตตะละเทคโนโลยีนั่นโลกียปัญญาแต่ท่านจะไม่ตีความให้มีความเข้าใจนี่แหละท่านสงหลาที่รักตีความหมายมาเจริญกรรมาฐานต้องการจะให้ฐานะท่านดีท่านจะรวยมั่งมีชีสุขท่านจะรวยน้าใจรวยด้วยเมตตา เงินไหลนองทองไหลมาท่านจะเป็นเศรษฐีขึ้นในโอกาสข้างหน้าตรงนี้ไม่มีใครชอบเป็นเศรษฐีชอบจนทุกคนเนี่ยอยากรวยแตใจมันจนใจไม่จะสางผู้ชนใจไม่ได้ดผลงานท่านจะรวยได้หรืออยากปากมันก็อยากรวยแต่ใจมันจนนี่แหละการปฏิบัติกรรมฐานก็เช่กันปากก็อยากไปสวรรค์ไปนิพพานแต่จิตใจมันไปนรก จิตใจมันลามมกจิตใจมันสกรปรกหลหลายที่กินก็ไม่สะอาดที่ถ่ายก็ไม่สะดวกในบ้านของตอดไหนเลยแล้วจะไปสวรรค์จะไปนิพพานปากเนี่ยสาทุพระเทศกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมเจ้าสาธุโยมทานาา น, าาทาน้ำไม้สิน้ำไม้ทำแล้วไปสวรรค์สาทุไอปากมันหยาบไปใจจิตมันล้างวัจิตสกรปรก จิตลามกจิตขี้เหนียวจิตมันมืดบอดท่านจะไปสวรรค์ได้หรือจ๊ะไปนิพพานได้ไหมเสียใจด้วยพระเทศทั่วประเทศแล้วเทศไปสวรรค์หมดเท ศ, เทศไปนิพพานไ้บวชชีพระเป็นประโสดาเอาแค่โสดีก่อนได้ไหมเอาโสดีก่อนแล้วก็ไปเป็นโสดาเดี๋ยวนี้เป็นโสดาเกลื่อนปราดทั้งพระสงฆ์เจ้าพระโสดาแล้วก็ไม่ชีก็โสดา นุมงขาวหัวชีพรามกโสดาแต่แสวงหาวิจัยไม่มีโสดีเลยเอาดีก็ไม่ได้นี่หรือโสดาได้ยาที่หกนั่นแหละแล้วเป็นโสดาเอาโสดีสร้างความดีก่อนแต่อย่าได้ไมาเอาวอลุ่งไหลแต่จะมีจุดหมายปลายทางของท่านเปรดการได้นี่แหละท่านที่รักจะเป็นอุมาศกบัณิกาก็ตามคิดตรงนี้ไหม บาปเป็นบุญแต่ใจเป็นบาปเห็นด้วยหรือไม่นี่มาที่กุฏิเยอามาเอาบุญมาเอาบุญแต่ธรรมะแบกเอานี่แหละคนไทยชอบแวหแวห้าแหวห้าบุญไอ้ฝรั่งหาธรรมะไอ้จะมาไปที่ยุโรปห้าประเทศถามทั้งห้าประเทศไม่เคยหาถามห้าบุญเลยฝรั่งมังค่าทอาร์กัินไม่เป็น คอยพระปาไม่เป็นเอาเงินทําบุญสร้างวัดไม่เป็นแต่เขาสร้างตัวเป็นสร้างกิจการเป็นนั่นคือตัวธรรมะมีทั้งโลกิยาปัญญามีทั้งโลกุตระปัญญาครายคือฝรั่งโลกีไอฝรั่งเป็นนอกเตอะหมดแต่โลกอุตระไอฝรั่งมีธรรมะปฏิบัติธรรมะมันจะแก้ไขได้สมปรารถนา แต่เสียใจด้วยคนไทยไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจว่าธรรมะนี่ยบรรฝืนใจจึงจะสร้างความดีต่อไปได้ไม่มีใครสร้างปากก็เป็นบุญนะักโยบุบาศโยมวาสิกาปากเป็นบุญแต่ใจเป็นบาปกลับจากรักษาวโวชดปากเป็นบุญเลยคุยเป็นบุญทั้งนะั้นไปถึงบา้านด่าหมาด่าแมว ด่าครอบครัวด่าลูกด่าหลานเราเสียสีคนน้นเสียสีคนนี้นี่หรือบุญปากเป็นบุญใจเป็นบาปไปไม่รอดไม่ตลอดภยัยไม่จะเสียดจังไรคงบุญในปากนี่เนะี่ยปากเป็นบุญแต่ใจเป็นบาปใช่หรือไม่อย่าหาว่ากล่าวเท็จเลยกานทั้งหลายจริงหรือไม่มาวัดก็ได้บุญมาเดี๋ยวเดียวก็ได้บุญ แต่บุญนั้นเสียดายด้วยธรรมะแปะลว่าความสุขบุญแปลว่าความสุขแต่อยากจะเรียนจเจริญพรถามโยมว่าความสุขได้จากไหนที่สุขที่แท้จริงอะได้จากไหนได้จากการชำละใจใช่ไหมการทำใจให้สะอาดทำใจให้สงบทำจิตให้ใสใจสะอาดสงบเสีงเง่ยมเกียมจอ คือทำให้จิตปกติเป็นความสงบเนี่ยคือศีลมีมารายานี่เนี่ยจิตถึงจะเป็นบุญแต่ปากมันเป็นบุญด้วยกันทุกคนมุ่ยบ่ายอย่างโน่นเสียสีคนนั้นเสียสีคนนี้ตาก็ค้อนไปค้อนมาขอเจนิจ่อนตาก็เป็นบากตาเอาไปค้อนไปด่าเขาแล้วบางคนไม่ยอมเอาปากด่าเอาตาด่า าตามาดูและโยมก็าตาด่าตามาเหมือนกันค้อนไปค้อนมาแถมเอาหูด่าตามาอีกหูพึ่งเ่ยแถมลงตะมูทึศเอาตะมูกก็ด่าไดา้ตะมูกนี่สาคัญไอปากด่าเนี่ยตามาไม่โกรธเลยเอาตาด่าก็ด่าไปเราทําไม่รู้ไม่ชี้เยอะก็ปิดจะเป็นนอนเอาหูดา่าเยอะหูพึ่งเอาตะมูกลงทึดแถมลงทื้น ตรรมมาไม่โกรธโยมแล้วที่ที่กรธที่สุดก็คือเอาตูดด่าเอาตูดด่านี่โกรธที่สุดโกรธยังไงเวลาสอนอะไรเหมือนพ่อแม่สอนไม่ฟังสบัด ต, ตูดไม่วันทละเดินกระทืบส้นไปตูดก็ผมขึ้นพุ่มลงแต่คนอ้วนเลยเห็นชัดแต่คนผอมเห็นยากนี่เรื่องจริงเนี่ยนะโกรธไหมโอนสบัด ต, ตูดเวลาพ่อแม่สอนพระสอนให้รู้ว่า เดินสะบัดข้าไม่ฟังนี่แหละเรียกว่าตะกด่าพูดอย่างคำหยาบถ้าพูดให้สวยพูดให้ดีพูดให้มีพูดดีพูดจากักก็พูดว่าไม่น่าจะสบัดชบิงเวลาผู้ใหญ่ให้โอวากผู้ใหญ่เทศหรือพ่อแม่สอนลูกลูกไม่น่าจะสบัดต้องนิ่งฟังโดยหยุดสนิภาพนี่พูดอย่างพูดดีพูดจากรักพูดหยาพายพูดเหคนเร็วๆล่าั ก็เรียกว่าอาตุดาชัดเจนไหมมันมีลักษณนอยู่หลายประเภทด้วยกันคนผู้ดีก็มีคนไร้ดีก็มีคนมีปัญญาก็มีคนไร้ปัญญาก็มีคนเหมือนกันได้ยังไงคนจกกักแว่าคนสุกๆดุดแต่ถ้าเป็นมนุษย์ปุถุชนก็เรียกว่าจิตสูงฟังรู้เรื่องพูดเข้าใจง่ายมีความตีหมายตีความหมา ย, ยาชัดเจนออกมาในรูปแบบนี้ชัดแนละ้ว นี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันพระเรานัดพบพระแต่พระอย่าออกจากวัดออกไปเที่ยว ก, กลางตลาดมีความหมายมากวันพระเราก็มาพบพระแต่จุดมุงหมายโดยแท้จริงนั้นต้องนับหมายพบพระในใจของโยมจิตจะได้เป็นบุญจิตจะได้เป็นกุศลพบพระในใจไม่ชจะพระนอกใจ เด่๋นี้ไปหาพระนอกใจพรานอกกายการช่มากมายแต่พระที่เป็นธรรมะใจประเสริฐใจดีมีปัญญาใจสงบพบพระเน่ๆแต่ใจท่านฟุ้งวุ่นวายฟุ้งซ่านจะไม่พบพระที่แน่นอนจะพบคราบลอมพบแต่พระทองเหลืองพระตะกลัวพระดินเผาไม่สุกออกมาในพบพระพระพระมีหลายพระถ้าตะกัวก็มีพระทองแรงก็มี พระอะไรก็มีหลายอย่างพระดินเผาก็มีนี่ที่เขาทำวัตถุแต่ก็เผาไม่สุกก็ยู่ออกไปก็มีหลายพระขอให้พบพระทองขับเพชรน้ำหน่งในดวงใจคือพระทำใจให้สะอาดทำใจให้สงบทำใจให้สบายทําจุดมุ่งหมายนั้นใจประเสริฐเมื่อใดท่านจะพบพระมานนั้นใจของท่านไม่ดีใจของท่านฟุ้งกร้าง ใจของท่านไม่อยู่ด้วยความสงบรับรองท่าจจะพบพระทองเหลืองพบพระตะกตัวอยู่ในใจของท่านถ้าใจดีมีปัญญามีกรรมฐานเป็นหลักปฏิบัติโยมจะพระพบพระทองคำร้อยเปซตจะพบเพชรน้าในดวงใจอัสะอาดคือสัจจะแม่ตาสามัคคีโยมจะมีวินยัยมีคุณธรรมมีมมตย่าชาปูดีจะมีสิ้นธรรมออกมาในรูปลักษณะการนี้ วันพระเราก็มานักภูพระมีพระพระประจำใจพระประจํากายนอนนึกระลึกถึงใจโยอมกามีธรรมะปากเป็นบุญใจก็เป็นบุญด้วยบุญทั้งหน้าทั้งหลังนั่งหนอกทั้งในไม่ใช่เป็นคนเราต่อหน้ามาพระระหลังตะโกงต่อหน้าส้มโอะระหลังสง้มเช้มเชมไม่ลง นี่จาคนประเภทนี้นาวายหลังหลอกปาเป็นบุญใจเป็นบาปไม่เอาไหนเลยเพราะเขาไม่มีพระประจําใจมีแต่พระนอกใจมีแต่บุญนอกใจบุญสงเคราะห์คนอื่นแต่บุญที่จะสงเคราะห์ตัวเองเช่นเจริญกรรมมาฐานคนนั้นจะมีได้หรือไม่พี่น้องศิลป์เรากกรรมฐ า, านมาไว้นในใจหรือนี่จะปฏิบัติศีลสมาที่ปัญญาตรงนั้น ศีลจะมีได้ต่อกําหนดจิตเป็นคนปกติแปลว่ามีสติสัมปชัญญะไม่ต้องไปวิจัยไม่ต้องอานตำลามาดูการปฏิบททัติธรรมเขาไม่ต้องดูตาําราเดี๋ยวนี้ตํารามาการสอนก็นได้แล้วต้องปฏิบัติให้ตรงไปตรงมาโค้งว่าโค้งเข่า อ, ออกมาอย่างนี้ให้มันผุกขึ้นมาเองให้มันใสขึ้นมาเองเรียกว่าภาวนากายานุปัตสนาติปฐานศี เรียกว่ากายมีสติเป็นกายชิดกายโงโยมมีศินตาก็มีศินตาถึงจะมีทรัพย์หูมีศินหูก็มีทรัพย์จมูกมีศินจมูกก็มีทรัพย์คือคุณสมบัติปากมีศินปากก็มีทรัพย์พูดเงินไหลนองทองไหลมาใช่หรือไม่ร่างกายโงโยมมีศินสติสัมปชัญญะควบคุมกายานุปัสชนา แล้วก็ทรัพย์ก็เนืองนองครองในกายเรียกว่ากายทิพย์ทิพยามหน้าของจิตทำให้กายเกิดทิพย์แปลว่ารู้ทั้งยืนทั้งเดินจะนั่งจะนอนจะเลี้ยวซ้ายหรือแหลขวาจะคู่เหยียดเอียดขามีสติยวิจัยบางคนจะตำลามากางแล้วทำไปด้วยตำลากลางเอ๊ะข้าก็ยามไหนอ้อนีเข่าวที่ ท, ที่ตรงไหนโยมเจ้งเลยทำไม่ได้ท้น พระพุทธเจานน้าสอนนักสอนหนาให้มันผุดขึ้นมาเองธรรมะอยู่ในใจต้องฝืนใจจึงจะจดีได้จิตใจจะปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจตัวไม่ได้ยอมผู้หญิงที่หลักโปรดทราบตามใจตัวไหมผู้หญิงที่น่าเปรียดคือผู้หญิงที่ตามใจตัวผู้ชายที่น่ากลัวคือผู้ชายไม่รู้จักเต็มใจคนตรงนี้นากลัวคนขัดฉินขาดทำ เป็นกิจกรรมที่แ น, น, น่นอนนเดียรโยมผู้หญิงที่รักที่เคารพ บ, บูชาคือคือคุณแม่ทุกคนเป็นแม่ทุกคนแล้วแต่อย่าลืมว่าอย่าตามใจตัวจิตนี่ต้องฝืนใจฝืนจิตฝืนจิเรียกว่าตัวธรรมะล่อยไปตามอารมตามใจตัวตามใจคนแโยมจะไม่พบธรรมะโยมจะพบความผิดหวัง โยมจะเป็นโรคประสาทคิดอะไรจะพลาดผิดด้วยความไม่สมหวังในจิตใจของโยมนี่ตรงนี้นะคือตัวธรรมะไม่ใช่หลับตาเห็นพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าวสวยจังพระพุทธเจ้าวสวยจังมันจะผิดหลักปฏิบัติเมื่อสมุรทราเจ้าทรงพระชนอยู่นั้นมีพระพิสุองเน้นมาชมความงามพระพุทธเจ้า พุทเจ้าเสด็จไปไหนก็เสด็จตามเสด็จไปดั่งดูพระพุทธเจ้าโอ้ยสวยอย่างงา้นสวยอย่างนี้แลีวพุทเจ้าหนีไปอีกเสด็จไปไหนตามไปอีกลีละเห็นหนอไม่เด็กกาหนดเห็นแต่ความสวยงาของพระพุทธเจ้าก็พุทธเจ้าจันดูออกมาดูคณะปีสิปีโสสองผู้สงสินสังวรธรรมวินัยมาดูอเราวธรรมะ เจ้ากลับไปดูตัวเองไปดูตัวเองซิมันสวยไหมไปดูตัวเองซิมันดีไหมดูอะไรหรือกระจกหักดูวัดตายวาจาใจสินสมาธิปัญญาเดี๋ยวเธอจะรู้ว่าวัตถุธรรมมีธรรมะวัตถุสะอาดดูตรงนี้ดูอารมณ์ของเราหายใจเข้าออกรู้ทุกประการดูอารมณ์ดีหรือไม่ดี อารมณ์ชั่วตรงไหนสิ่งที่ชั่วตรงไหนทําชั่วให้มันดีสิ่งที่มันบกพร่องตรงไหนทําตรงนั้นให้มันดีไม่ใช่ทําที่ดีให้มันเสียจงทําชั่วให้ดีจงสร้างความดีให้กับตัวอย่างนี้สิโยมโปรดตั้งใจฟังมันบกพร่องตรงไหนเราจะรู้ตัวลำดึกชาติดาวรัมบกพร่องตรงไห น, นอ๋อเมื่อปีที่แล้วเงินทองไม่พอครอบครัว เงินทองไม่พอให้พ่อแม่เงินทองไม่พอเลี้ยงลูกบอกพ่อตรงไห น, นคิดหนอคิดหนอที่ลิ้นปีเนี่ยอ๋อบอกพ่มอมาปีที่แล้วเล่นการพนันลม้มลึกฉาบด่าปีที่แล้วกินเหล้าปีที่แล้วเจ้าชู้ปีที่แล้วไปเที่ยวไม่กลับบ้านเงินทองก็เหลวแหลกแตกลานนี่ล้มึกชาบด่าอารมณ์ของเราก็จะรู้ได้ องนอยุบหน อ, หนอให้ได้่จังหวะหนอได้ไหมเอาตรงนี้มาใชานหนังสือมากลางนี่จิตทีตรงนี้อันนี้ธรรมาตรงเนี้เร็วเลยไม่ได่าอะไรเลยนะพระพุทธเจ้าบอกอย่าเอาวิชากามมาดูเขาจึงไม่ให้ดูหนังสือเขาไม่ต้องให้อ่านหนังสือหนะ้าปฏิบัติให้เขียนหนังสือด้วยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อ ย, อยทําความผิดได้มากเจ็ดวันด้วยผนสําคัญมานัง่งคุยนัง่งอ่านหนังสือเีฉย เอาหนังสือมาอ่านเลยมาจองปฏิบัติรับรองได้วิปัสสนึกนึกตามหนังสือเมล้อไปนั่งคุยกันพอคุยกันแล้วนึกตามที่คุยกันแล้วจะเสียอารมณ์ไหมนี่วัดอารมณ์ตรงนี้ว่าดีหรือชั่วเดี๋ยวรานึกชาติลำนึกทิ้งตัวเองได้เมื่อปีที่แล้วเจ้าชู้ปีที่แล้วใช้เงินเกินปีที่แล้วไปเล่นการพนันปีที่แล้วไปหาพระให้หวยอานวยพร เอาดีไม่ได้มันจะบอกออกมาจากอารมณ์เรียกว่าวัดอารมณ์ใช่หรือม่แล้วก็จิตาตาอุปัสตนากรรมฐานจิตคิดอ่านอารมณ์รับตัวอารมไม่ได้เป็นรวานาเมื่อเทศประยุกต์เสียงจับตัวตอนไม่ได้ไม่มีมือคับได้มันไม่มีตัวตอนจิตนั้นก็คือธรรมชาติมันเกิดทางอาัยนะธาตุสีตาเห็นรูป ก, กํำนดเห็นหรอ ส่งออกจากหน้าภากนี้ไม่เจอปากเห็นต้องเอากระเสริจิตไปเห็นยะกางสติสัมปชัญญะกาหนดเรียกวัยเห็นด้วยปัญญาไม่จะเห็นด้วยปากพูดทำให้มันถูกหน่อยได้ไหมนี่เห็นด้วยปัญญาเสียงหนอเขาดา่าเสียงหนอเขาว่าเสียงหนอเขานินทาเสียงหนอฟังด้วยปัญญาฟังด้วยศีล ไม่สติสัมปชัญญะควบคุมจิตจิตมันก็ได้ยินเสียงแล้วเสียงที่พูกมากระหูคนละอันไม่จะติดกันเราก็ปัญญาบอกคือมีสมบัติในคุณสมบัติคือธรรมะศินสติสัมปชัญญะบวกการไปตัวธรรมะเป็นตัวปัญญาตัวแก้ไขปัญหาตรงนี้คือสินคือปัญญาศิลระชักอ๋อ เขาดา่าเราอย่ารับห้เสียสมองนี่คู่ตัวธรรมะแล้วฝืนใจให้ได้ไอเสียงที่ดา่ามันก็กลับปห า, าไอคนดา่าไอคนด่าท้องคืนเองไอคนดา่าก็โดนเ่าโดนเข้ากระเป๋าจิตใจก็เป็นกฎแห่งกรรมแล้วก็มันดา่าเราก็คือดา่าตัวมันนั่นเองเราอย่าไปรับมาคนไทยเราแปลกที่สุดชอบไปรับความชั่วคนอื่นมา อวไว้ในสมองให้เ ป, ปราาูปปรึกษาไปบเปลา่านี่ถ้าท่านปฏิบัติจริงได้ผนถ้าท่านไม่มีศรัทธาอันนี้ไม่ปลูกฝังตั้งใจรับรองท่านร้อปีท่านไม่ได้ผนมาด้วยไม่ได้ความตั้งใจมาสนุกขนานกับเขาเขาเห็นเขามาเขาก็มาไม่ได้ปลูกศรัทธาหาความเชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ไสนใจต่อบพระพุทธระธรรมประส้วงรับรองโยมผู้นั้นไม่ได้เล ย, เลย เจ้าไปเจ้ามาเมื่อเรือสินค้าไม่ประทุกสินค้านั่นแหละล่องไปล่องมาเดินฉายไปเฉยมาไม่มีอะไรประทุกสินค้าตัวเองก็ขาดทุนค่าน้ำมันฟรีขาดทุนดอกหมันยาชามฉังขานก็เสี่ยมเรือก็จะล่มจะเสียใจโขนอมขมขืนประกันรใดโยมทั้งหลายเอ๋ยจะมาเด็ดความคิดคนนี้เนี่ยเสียงหนอกําหนดเลยไหมไม่ต้องเปิดดึงเสือดู การปฏิบัติโดยเคร่งัดเนี่ยเขาห้ามดูหนังสือเดี๋ยวมันจะเป็นมิจฉาเนื้อแล้วอาครูมาอาจารย์อย่าไปสอนเลยไปท่องหนอยยืนหนอก่อนยืนหนอาห้าครั้งเอากรนโน้โสอนอยานนี่ยานนี้ขึ้นแล้วอ๋อยานห้ายานหกแล้วแยครูอ ย, า, อ า, กอย า, อากนามได้อยากสอนอย่างนั้นมันทําให้เลยเถิดไปเขาทําชั้นมหนึ่งจะไม่ได้ไปสอนมห้า แล้วไปสอนมาหกแล้วเธเิเปลือเปลือกรับรองไม่ได้อะไรเลยนะขอฝากทัวราจา์ไว้ทุกท่านด้วยอย่าสอนอย่างนั้นขวาย่างหนอสาอยยางห น, หนออย่าทำไม่ไดัแล้วก็มาพองก็เป็นยุกยุกตไปแล้วนะยามตรงแปลงหรืหละยามตรงแปลงพองก็ไม่รู้ยกก็ไม่รู้พองหนอยังไม่ทันหนอยุกไปซะ พอยุบยังไม่ทันหนอมันก็พองเนี่ ย, ย, ยอย่างนี้ยานขึ้นแหละญาอะไรยาสอนข้ามขัม้นสอนให้มันมีจุดหมายตรงนั้นแต่ทำไม่ได้ซ้ำ ม, มันไปขอประทานทธเธอเถิดคลับพระอครูาจารทุกคนที่พระอาจารย์นะสอบมอหนึ่งไม่ได้ย้า้ผ่านเนะี่ยก็ให้เรียนซ้ำชันท่านเป็นครูาจารจสอบมอหนึ่งตกท่าจะให้ขึ้นม2สองไหม สอบม .2 ตกให้ใจจะขึ้นเห็นม .3 ไหมนี่ต้เอานี้เป็นหลักปฏิบัตินะเป็นข้อคิดด้วยอย่าเอ า, าโสดานะไม่มีโสดีเลยถ้ามีโสดาอยากงานระขีเกียดที่สุดคีดเกียดทำงานคคู่อยู่ตามที่ภาคของต่นไม่ออกมาดูหน้าดูตาคนคนอย่างนี้เรียกว่าโสดาถ้าโสดีนะสร้างความดีไม่พักขยันไม่พัก ขยันไม่พักเรียกว่าโสดีแต่โสดามันไม่อยากจะทํางานไม่อยากจะริเริ่ออย่างนี้โสดานอกขอบเขตคำพัฒนธที่มาโสดาตามคําสอนพู้เดจจ่าเชิญนาำวิสาขาเอน า, าที่ประกาเวทีบินที่ประกาศมาเศรษฐีเป็นโสดามีลูกกองยี่สิบสมสบเดี๋ยวเราก็เป็นโสดาได้ไม่ได้ถ้าทําได้แต่อย่าเอาขั้นนั้นเลยเพราะมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นโสดาได้ยังไง ทองหนอยุบหนอก็ไม่ได้ขวาก็เป็นซ้ายซ้ายเป็นขวากําหนดจิต ก, ก็ไม่ได้โสดาดีางไงเอาโสดีสร้างความดีก่อนที่จะเป็นโสดาถ้าเป็นโสดาแล้วก็เป็นโสดีสร้างความดีเป็นโสดาถึงจะถูกต้องตามทํานองครองธรรมของพระพุทธเจ้าสอนเขาจึงห้ามดูหนังสือห้ามอ่านวิชาการ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นวิปัสสนึกนึกยานโนนคืนนึกยาอ น, นี้คืนเลยก็ด่าวิปัสนาเรียกวิปัสสนึกนึกเอาแล้วก็ด่าตามชอบจึงห้ามโดยเด็ดขาดโดนห้ามอ่านหนังสือธรรมะห้ามห่าหนังสือลำดับญาณห้ามอ่านหนังสือห้ามเขียนหนังสือเจ็ดวันเจ็ดคืนอารมณ์ดีนี่วัดอารมณ์ตรงนี้นะ อาลมณดีมีปัญญามาได้จิตใจก็ดีขึ้นปิการุ ป, ปัสสนติปทานจิตออกกําหนดออกหนอะพุ่งการายเนอะจิตคิดกําหนดคิดหนอคิดหนาะสตีดีปัญญาดีตัวธรรมะมาแล้วยไอความคิดนั้นมันจะออกบอกเราว่าคิดไม่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงความคิดหม่นี่เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาบทเฉพาะหน้าดีเหลือเกิน แต่หนะปฏิบัติธรรมทำไม่ถูกหนึสองหนะ้าปฏิบัติธรรมไม่สนใจปฏิบัติตัวเองจึงแก้ปัญหาไม่ได้เลยไปหาพระช่วยไปหาพระหมา ด, ดูไปหาคนโน้นคนนี้หมดหนาที่ได้ต้องดูตัวเองแก้ปัญหาตัวเองได้จึงจะเกิดประโยชน์ไม่จะไปดูอะไรแ้วถ้าทำกรรมาฐานจริงๆได้มีลูกสามคนจะรู้ว่าลูกคนที่หนึ่งจะต้องเรียนแพทย์ลูกคนที่สองจะเรียนวิศวกร โรคคนที่สามจะเป็นผู้วิจารณ์ทำไมจะไม่รู้สําคัญไม่รู้ว่ะทีในเมื่อไม่รู้แล้วโยอมจะสมปลากลางหนองจะไม่ได้ทนแล้วจานั่งกรรมฐานจะไปถามปัญหาใครเนี่ยท่านนั่งได้ตามที่จะมากล่าวแล้ว อ, อนเจริญพรนะคนนั้นจะหมดความสงสัยทุประจักษ์จะไม่มีความสงสัยอีกต่อไปแล้วในธรรมถ้าเรารู้พรธรรมขึ้นอยู่ในใจแล้ว แล้วแต่ช่างคุณมาดูจะจูขึ้นมาช่างแรงจะเกิดผลานิสง์ของการปฏิบัติธรรมจะไม่มีความสงสัยต่ออริยสงฆ์องค์ประสาวกว่าได้รับมรดกธรรมของเสด็จพ่อมาประการใดจะเจี chi แจงแบ่งแจงบอกให้แจงเข้าใจจะหมดไหนจะหมดความสงสัยไม่จ้องไปถามใครเนี้ยถ้าท่านทำกรรมาฐานไม่ได้สงสัยตลอดชีวิตสงสัยตลอดไปจนกรทั่งตาย ตายแล้วก็ไปนรกด้วยขอให้ทําให้ได้ตรงนี้มีศรัทธาไหมไม่มีก็อย่าทําเลยมันไม่เกิดประโยชน์คนที่เจริญกรรมฐานนะคนมีบุญวัฒนาคนไล่บุญวัฒนาจะไม่สนใจหาว่าไม่มีเวลาแต่เวลาจุงไหนจะหยิบอะไรก็กำหนดจะพูดอะไรก็กำหนดจะทําอะไรก็กำหนดไหนเวลาไหนว่าจะเวลาไห น, นเวลานอนหลับแล้วมาทากรรมฐาน ก็เวลาทํางานนั่นเนี่ยกาหนดจิตเข้าปัดจะหยิบปากกาหรือกําหนดหยิบหนออยากหยิบหนอเขียนหนอตั้งสติเขียนตัวหนังสือก็สูไว้ถูกวมาถูกตอนสะกดกระรานก็ดีด้วยนี่กรรมฐานยาตามานี่กาลังเขียนหนังสือทำไมช่วยเด็กกําลังลดความลด้มันไปช่วยได้นี่คือสติสัมปชัญญะตัวธรรมะนี่สําคัญมาก แต่คนไทยชอบปากมีบุญแต่ใจเป็นบาปไม่สนใจธรรมะแต่ประการใดจึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยตรงนี้เป็นบทบาทสาคัญของกรรมฐ า, านนี่ขอครูบาอาจารย์สอนไปสามขั้นตอนอย่าสอนอย่างอื่นที่ญาติโยมมาปฏิบัตินี้ไม่ต้องเรียนในเรื่องอันดับขั้นไม่ต้องเรียนตั้งแต่ประโยคหนึ่งถึงประโยคเก้าไม่ต้องเรียนนักธรรมตรีถึงนักธรรมเอตรียนฉันโหลด มากน้อยครัอาจารย์อธิบายนั่นเนี่ยคือปริยัตรเรียกว่าภาคทฤษฎีวิชาการที่อธิบายยอมลงมือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติแล้วได้สนอนิสงเรียกว่าปฏิเวทออกมาเป็นเหตุผลเป็นเรื่องวิจัยได้แล้วไม่ใช่ว่ายังนั่งไม่ได้จะไปวิจัยวิจาร์แค่ขวายางหนอมันเพราะอะไรบางคน แล้วจิตอย่างนี้อะไรเอาหนังสือไปเปิดดูบอกไปถามราชานบอกพริติเลยก็ทํางานกรรมาฐานไม่ผิดผลไม่ได่า น, นิสงแต่ปริการได้แล้วจะรู้อวดรู้รดียังไงรู้วิชาก็ยังไม่รู้สู้ผ่าปฏิบัติปฏิบัติได้มันจะรู้ว่าตรงนี้เกิดอะไรแล้วเราคิดตั้งแต่มาวานเนี่ยมันเหลวแหลกแตกล้านอย่าไปคิดมันสต๊อปสโลปลงไป อย่างนี้เนี่ยสตาฟหยุดวิมตุตหลุดออกไปความดีมาแทนที่คือปัญญาแก้ไขปัญหาได้ออกมาในรัศ ก, กาการอย่างนี้เนี่ยจะมีประโยชน์แก่ผู้ทำเองไม่ต้องไปพกตำราเพราะการเจริญวิปัสสนานี้ไม่ได้ใช้ตำราไม่ได้ใช้วิกร า, ารขอท่านเท้าความหลังเมื่อพระพุทธเจ้าเจ้าช้ยจิตตะเถเดจออบัญชา ไม่ได้ไปเรียนวิชาเพราะวิชาที่แปดชาจบแล้วแต่ยังไม่ได้หาวิชาอยู่อันหนึ่งคือวิชาแก้ปัญหาวิชาให้ปลนทุก์ยังไม่ได้ต้องไม่มีนตำราจะเอาปลาหมามาเปิดดูสมาัยหลวงพ่อเจ้ า, าจึงไปทําหลายวิธีทนทุกข์กับทรมานทําทุกข์กิเลสโอดข้าโหดปลาก็ยังไม่สําเร็จเหาะ เ, เดินอากาศได้ชาสมาบัต มาแต่แต่เป็นพระเวชุนดอนมาอยู่กับอุทกกดาบทอลากดาบกตละมาโคอดอาจารย์ชลใจช่องสองก็ยังไม่สำเร็จสําเร็จฌานสมาบัติดำดินได้ก็ไม่สําเร็จนี่มันแก้ปัญหาไม่ได้เราองค์จึงหนีออกราบลาอาจารย์ชลใจไปปฏิบัติในดงในปา่าไปทําทุกข์ทรมานทุกข์กิจยาถึงหกปี รางายเหลือตะกดูปัญจวัตรพีก็เกิดศรัทธาอัญญาโกมพญาเป็นหนุ่มน้อยกลอยปลาที่ทายลักษณะของพุทธเจา้าที่เป็นหนุ่มน้อยที่สุดและมาแก่คราวนี้คนที่ทายลักษณะของพุทธเจ้าคือพ่อพราหมณ์ตายไปหมดแล้วแต่อัญญาโกมพญาคิดว่าพุทธเจ้ามีคติเดีย่ยบปองเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่พ่อพราหมณ์ทัานเจ็ดนั้น ทายว่าถ้าจะเป็นจกักรพรรดิกรอบครองอาุ่มบัตจะเป็นเอกอุในโลกตาออกสเสด็จออกบรรพชาจะเป็นพุทเจ้าแสดงทายสองอย่างแต่ยากรชยาทายอย่างเดียวต้องเป็นพุทเจ้าเนี่ยจึงเนตติดตามบวชออกมาแต่แล้วเราพุทธเจ้จาไม่ฉันข้าจเจริญทางอะไรทางโยกดถกครับอศ า, ศ า, ศาชาชาปชาชา แบบสิยาศาสตร์ก็ไม่สำเร็จเลยก็ดาสังหอนจิตจับพินสําสายตึงไปก็ขาดย่อนไปก็เชิทชาบนี่ตึงไปแล้วเนี่ยขาดนะเนี่ยต่องตายเลยก็มามัดจิมมาปฏิปทาปานกลางจึงหันเหแลกเข้ามาฉันโพธิญาหารสเสวยพระญาหารเลยปันวัคคีเทวดาสังหอนให้หนีพระพุทธเจ้า นี่เนการฝึกปฏิบัติต้องอยู่คนเดียวอยู่หลายคนไม่คุยกันเสียงเอ็ดเสียงดานก็ไม่สเม็ดทำให้เทเปราจา้าโดนบรรดาลทั้งหอนตันโยกีห้าให้หนีไปเช่หาว่าพระเจา้ามากมากเวียนมามากๆมาเสวยกระยาหานอีกนี่เห็นไหมชัดหนีออกไปแล้วพระองค์ก็ดีใจมาบำเพ็ญทางจิต จะเวย่ยพระกระยาหารให้อิ่มน้าทําลานพอพระหาริทัตมีกําลังจิตทำงานนี่แสดงว่ากรรมาฐานใช้กําลังจิตใช้กําลังใจต้อมอาหารเป็นโภชนาหารกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทําความเพียรให้มากใหญ่ยายมากเกินไปใหญ่ยยน้อยเกินไปให้มัดจิมาปฏิปทาปานกลางอย่างนี้ถูกต้อง พระองค์ก็มาสเสวยพระกะยาหารจิตใจก็สบายยอมใโยอยมตอนหิวโหยโดยามีปัญญาไหมตอนหิวจัดเนี่ยมีปัญญาไหมมแจะข้าฟันกันหัวข้าเมียเสยเยอะตอนหิวตอนหิวนั่นรับทานใอิ่มแล้วจะมีปัญญาจะพูดันรู้เรื่องไม่คาคายเคลิ้แค้นสัญญาติ สามารถแผลงให้กายเพศเป็นเศรษฐีได้คุอิ่มด้วยกายอิ่มด้วยใจยอิ่มด้วยธรรมะเลยก็ุทธเจ้ามาเสวยกิจอาหารจึงได้เดินทางต่อไปอยู่พระองค์เดียวก็เกิดมีสติปัญญาคิดขึ้นมาว่าเออเอ๋ยหกพรรษาเลี้ยเราจะไปสะแสวงหาธรรมะตรงไหนนะพบไม่พบธรรมะเลย ไม่พบเลยนี่ไม่ใจปริยัติผ่าปฏิบัติให้มันผุดขึ้นมาเองเขียนด้วยไหมไม่ใช่ไปเรียนวิชาไม่มีวิชาเรียนนี่จึงต้องหา้ามอย่าอ่านหนังสืออย่าไปนั่งคุยกันอย่าไปนินทากันเสียอารมถ้าท่านทำได้ตามนี้ได้ผลนั่นเนี่ยภายในี้7วันถ้าไม่ได้ผลเจวันมาหลายเจนะก็ยังไม่ได้ผลก็มานั่งคุยกันแบแแบแชแบแเหนียวแั่นในจิจัก อาจาจะได้หรือปัญญาความคิดขอฝากไว้หลายลดหลายเรื่องในวันนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนมากภาพปฏิบัติเกิดก่อนเพราะว่าวิชาเดียวคือการพ้นทุกข์การแก้ปัญหาตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมีวิชาเดียวที่พิจารียนไม่ได้หาอาจารย์ไม่ได้เลยสิบปดศาจบหมดทั้งโดนตรีดีสีตีเป่าสร้างสาหรับวิชาสุคราม ตอดกระตั้งยกสรนชาตชนะหมดทั้งแล้วทั้งสิบแปดศาสตร์แต่ศาสตร์นี้ไปหาที่ไหนด็อกเตอร์ที่ไหนจะสอนได้นี่ตรงนี้ที่คิดหน่อยผู้มีปัญญาไม่ใช่วิชาการที่จะแก้ปัญหาได้เรียนมาสิบแปดศาสตร์ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้คือวิชาการแก้ปัญหาและพ้นทุก์พระองค์จึงไปสเสวยกยญญาหารอยู่พระองค์เดียวกินน้อยนอนน้อยไม่ผูกกระใครเลย ก็เสด็จเดินเรียบแม่ น, มน้ำเนรัญชาะไปตามาดับไปนั่งอยู่โคนต้นไม้ปรึกษาชาตินางนุชนะสุชาดา ส, ดสวยสดคนงาม <c oughs> ก็เอาข้าวมะทุปาญาติของนุชนะสุชาดาเอาไปบนบานสานกก่าวเทวดาวม่าตอนนั้นยังไม่มีหลักพระพุทธศาสานาต้องต้องอาศัยผีเข้าองอาศัยเทวดาตามต้นไม้ จึงได้เอาข้าวมัตุปายากเอามาถวายนางสุชาดะทักษาชมเห็นองค์ประภูทรคิดว่าเป็นเชวดามานสวยน่ารักนางก็เอาถาดทองคำด้วยข้าวมัตุปายากด้วยน้ำนมข้าวมีทั้งถั่ว ง, งา ม, มีความบริสุทธิ์มีทั้งเคลื่อนน้ำกะทิไม่มีเชือปอนด้วยอืนเป็นเจ ถวายเข้าปะพระองค์ก็ทอดพระเนตรดีใจได้รับขา่าวมัทธุยาญาติของม น, นุษชนะสุชาดาสเสวยหมดเลยนางสุชาดาดีใจว่าเทวดาได้รับของเขาหมดขอแท้จริงไม่ใช่เทวดาอย่างที่เข้าใจอย่างนั้นพระองค์ก็ฉันหมดแม่น้าเนลัญชลาเขียวมาก กำลังไหลายผ่านไปเรื่อยๆท่านไปนั่งอยู่ริมแม่น้ําประคุงขาแต่ไม่ลึกถกผ้าคทำละพระองค์ก็ลอยถาดทองคําว่าขอให้พบธรรมะในวันนี้พบเลยถาดวิ่งขึ้นเหนือนะำลอยขึ้นเหนือน้าเลยได้ธรรมะแล้วเราวันนี้ได้ธรรมะแล้วหนาะได้ธรรมะแล้วนี่หนอก็ลานาำสุชาดาเดินข้ามแม่น้ําในรัญชละ ทพบพรามทั้งแปดทวายกุศะยาแปดกรับพระองค์ก็เข้าขัดมลังต้นส ม, สมัยนั้นต้นโพพลึกใบบางถิงกลางรากคาดังที่กล่าวมาแล้วพระองค์ก็นั่งกัตามารเพชรจเจริญสมาธิบัเพิญจิตภาวนาอาปาฏิยานตนว่าข้าไปจากยอมตายเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตาม ยุงลิ้นจะ ก, กินก็ตามข้าพเจ้าถวายชีวิตในวันนี้ท่าไม่สเม็จมากผลแก้ปัญหาและวพ้นทุกข์ไดกข้าพเจ้ายอมตายนี่ตําราของธรรมะแปลว่าต้องฟื้นใจใช่หรือไม่ภพธรรมะและ้วเลยพระองค์ก็สําเร็จในวันวีสาขาบูชาปรามี ป, ปุร น, นามีดีถีเพ่งการนุ่งหกปลารถทสร็จมาจนบันนี้ขอจเจริญพร น, นักกรรมฐานทั้งฝ่ายเบนบกิสคา ต้งกไม่ใช่นางให้มันนอกรูนอกฐานไปเห็นโน่นเห็นนี่เขาจะเบอร์ไปนะจะเบอไปนะขาดสตินะมีอยู่หลายองค์เนะี่ยขอฝากเห็นหนอเห็นหนอไว้นะนี่แต่วันนั้นเราพูดโดยพรนะมองไม่เห็นสามองค์องค์หนึ่งก็กลับมาเลยโยมผู้ชายถึงจะกลับไปแล้วใช่ไหมรถชนตายนี่อย่างนี้ที่ให้มันถูกต้องนี่มองไม่เห็นการก็แผ่ไม่ตาไม่ถึงแปลว่า มีอะไรเกิดขึ้นเลยโยมผู้ชายท่านที่แกทำไปแล้วใช่หรือไม่นี่เราก็ทําบุญไปแล้วพากลายหนึ่งกลายเงินสองพันบาทได้ทําบุญกับโยมท่านไะนี่มันไม่เห็นอย่างนี้นะมันมืดนะมีอะไรเกิดขึ้นนะยังอยู่สององนะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะขอฝากท่านจเจริญกรรมาฐานรีบแผ่เมตตาเจ้กรรมในเวรใช่ที่เขาสอ น, นในวัดนี้จะเอาไม่เอาจะอยู่เนี่ยก็ตัวก็กินนอนตารละวันนี่มันมืดอย่างนี้นะ มันมืดอย่างนี้นะแต่ผมไม่บอกไม่ว่าเลยท่านหลับท่านจะกินก็นอนก็นอนไปเถอะไม่ว่าอะไรการมันมืดแล้วมันมืดแล้วมัวมองอยู่ในใจท่านจะบวชแล้วจะได้อะไรพระคุณเจ้าสิครกขอฝากไว้นี่เอาเรื่องจริงไปหน่อยได้ไหมอย่าเอาเรื่องจอมปลอมูในใจบวชแทนคุณพ่อแม่บวชให้กับบิดามารดาอย่าไปบวชล้ามผลาญพ่อแม่เลยเดือดร้อนมากติดขาลาเพศภอแล้วท่านจะได้บุญนั่นแหะ ขอฝากท่านไปคิดนะครับท่านที่ครพนวัาการมิรักทั้งหลายจะมีความรู้มาปริญญาโทเอกไม่สำคัญสำคัญว่าท่านทำได้ไหมจะได้รู้น้ำใจของแม่แล้วอุ่มบาทมาเข้าโบสถเพื่อโปรดบิดามด า, าบวชเนนให้แม่บวชพระให้พ่ออย่าย่อท้อใจปฏิบัติให้มันถึงท่งานดันให้มันถึงที่ทำความดีทาความดีถึงขั้น จึงจะได้พลันเวลาในเวลาตามสุขวินี้ในแบบพระเจ้าเราสแสดงยมปาฏิหารอยู่ดาวดึงโปรดพุทธมารดาตลอดใจมากเหมือนท่านมาบวชเดนินปัสสาก็โปรดมารดาบาังเที่เลี้ยงข้าวิรรมเรียนข้ากรรมฐานศึกษาเล่าเรียนนับธรรมทรมศึกษาแต่จะได้ผลขึ้นมาเนี่ยเป็นการสนองคุณแม่ท่านบวชเนรให้แม่บวชพระให้พอยยอย่าย่อท้อใจ ต้องบวชเน่งก่อนเราอยู่ในท้องแม่ก่อนเอาแน่งให้แม่เอาพระให้ทออย่าย่อท้อใจบางคนไม่รู้เรื่องเลยบวชกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินถ้าจะได้หวังอะไรเหมือนเรือสินค้าอีกแล้ไม่ประทุกอะไรเลยกลับบ้านก็ไปทุกขยะไปนะประทุกขยะไปแล้วท่านจะได้อลไรจะเสียใจต่อเมื่อศึกษาลาเพกกฏแห่งกรรมจะตามหลังมาเขาได้การเราไม่ได้ เขาได้การเราไม่ได้เราบอกขอเรียนท่านครัวจาดใครไม่เอาตัดไปเลยนะเอาออกไปเลยเอาออกแต่ชื่อเขาจะกินนอนอย่ามายุ่งคนที่ไม่เอาอย่ามายุ่งกับคนที่เขาเอาคนที่ดีพระต้องการจะศึกษาเราเรียนปฏิบัติธรรมใครตัวไม่เอานอนเลยกินแล้วก็นอนหลวงพ่อจะไม่ว่าอะไรเลยจะขออนุโมทนาอนุโมทนาด้วย อันโมชณาสำหรับคนไม่เอาบวชเอาบูนแต่ไม่ได้บวชสร้างบูถอาจจะเสียใจต่อภายหลังศึกษาลาเพศกฎแห่งจรรจะปัดชนะสิหลังทัานปัอาจจะทำาอะไรไม่ขึ้นเลยเนื้อว่าคิดถึงแม่แล้วเธอคิดถึงพ่อพ่อแม่บางองค์ก็โรหายตายจากไปแล้วเนะี่ยควรสนองไปเดชประคุณบ้างหรือไม่โยผู้หญิงที่รักที่โยผู้หญิงมาปฏิบัติกรรมฐาน นี่ก็ช่วยแม่ได้ช่วยน้ํานมข้าปปอนข้าวของแม่ได้แทนคุณแม่ได้ไม่จําเป็นเราเป็นชายนะแล้วไปบวชแล้วแทนคุณพ่อแม่ไม่จําเป็นต้องกล่าวว่าชายพุทธะไม่ใช่หญิงชายผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นดีสร้างความดีให้กับพ่อแม่ออกมาในรูปแบบนี้และยมจะโยมจะไม่แทนคุณแม่มังหรือแม่ต้องเลี้ยงลูกคิดลูกฝังลูกมา น้ำหยดน้ำนมขาาปอนของแม่ตักของแม่ที่อุ่นวงแขนของพ่อที่อุ่นจะไม่แทนคุณกรุณหนุนน้ำพ่อแม่บังหรือยมผู้หญิงที่หละถ้ายอมปฏิบัติกรรมาฐานได้แทนคุณแม่ได้ไม่จ้องเป็นชายหรอกชายไม่เอาไหนก็เยอะเพราะผู้ชายเขาไม่สอนเพราะงานสังคมอะบวชนี้เอาสักสองวันแค่เพราะผมมันงานสังคม งานอยู่กับเพื่อนงานกินเหล้างานแชร์เชือนนี่งานสังคมของผู้ผิชฉาดจึงไม่ได้สนใจเหมือนโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงแม่บ้านการเรือนเชื้หาศาสตร์อัตรช า, าชั่มขึ้นมาชูจะชูขึ้นมาชาติโยมแม่โยมจา๋ายมผู้หญิงจา๋าโยมเป็นแม่ที่ดีของลูกแม่แบบแม่แผนแม่อาจารย์ทำอะไรถูกแบบถูกบทแน่แ ม, แม่หมดจดมาเจาะนี่เป็นแม่ของเราขออนุโมทนาด้วย โยมเป็นแม่ที่ดีของลูกแม่บันไดายกแข็งแรงลูกไม่คลอนแคลนแม่ธรณีก็ดีคาอาคารก็แน่นแม่กุญแจก็ดีบ้านนั้นไม่ไม่ไม่เล้วหลกแตกลานโลกดีทุกคนนี่แหละแทนคุณแม่ไดาโปรดรีบทำเถอกําลังมีชีวิตอยู่แต่ล้มหายตายจากระยะจะไปทําตรงไหนโลกไม่เน้อทั้งบุญคุณพ่อแม่เพราะอย่างนี้เอง ถ้าหน้าปฏิบัติกรรมาฐานจะลกถึงบุญคุณพ่แม่จะร้องไห้ที่เคยด่าแม่ด่าพ่อเคยคิดมาดีกับพ่อแม่จะร้องไห้ออกมาทันทีเกิดปรี้ยเย็นดีม่าอ๋อเราไม่น่าเป็นคนชั่วเลยไม่น่าทําลายน้ําใจของแม่เลยไม่น่าทําลายน้ําใจของพ่อเลยตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทําอีกแล้วนี่บุญกุศลฐานใจรโลภุรคาคุณชีวิตเป็นข้อคิดของเรา ที่เรนะาหน้ากรรมฐานได้ออกมาในลักษณะการนับกล่าวแล้วทุกประการขออนุโมทนาขอให้ครูบาอาจารย์สอนให้ละเอียดเดินหนอห้าครั้งทําให้ได้ไม่ทําไม่ได้อย่ากลับกําหนดขวาญาณหนอ่อายหนอเพ่งตาลงทิฏฐะตั้งสติไว้เจระลึกก่อนว่าขวาลิชาญาณไปเป็นสัมปชัญญปะปะปปะสติมาสัมปชนัโนโเอานี้ก่อนอย่าที่บายมาเลยเลยืเล่อนไปเดี๋ยวคนไม่รู้ธรรมะ เลยก็ไม่รู้หรือเธอกันอย่างเอาอย่างเดียวก่อนแล้วก็คิดหนอได้ไหมโกรธหนอได้ไหมตาเห็นรูู ก, กําหนดไหมหุ่ยยินเสียงกําหนดหรือเปล่าดมีจิตใจไม่สบายกาหนดหรือเปล่าเสียใจกําหนดหรือเปล่าดีใจกําหนดหรือเปล่าตรงนี้ขอฝากครัวจาดเน้นเขไว้แล้วย้อนกลับไปจะไปกําหนดไม่จะว่าไม่มีเวลาเวลาที่ทํางานน่ยเป็นเวลากรรมฐานละเวลานอนเนี่ย ขาสติจัมพะัญญาหลับปุ๋ยไปแล้วไม่เสีเวลากรรมฐานแล้วโยมจะมาเอ่ยเผยวาจาก็อาตมาว่าไม่มีเวลาก็เวลาทํางานเนี่ยกำมฐานและกําหนดได้ไหมไม่กําหนดก็ไม่ต้องใช้กรรมฐานในการทํางานงานการจะเสียหายก้าวไม่มีที่เกาะเสาะก้าวไม่มีที่เกาะเกาะจะไม่มีที่เก็บไม่ไปนคนอนสืบเสาะต่ อ, อให้ลึกถึงจะได้ความหมายอันนี้ได้ประการได้แล้ว ขอฝากญาติโยมพุทธศบริสัตว์ไว้โดยทัวนาการวันนี้เป็นวันธรรมพรรณและคณะครูบาอาจารย์และท่านผู้มีศรัทธาวิทยาลัยสารพัชชาติบางรักกรุงเทพมหานะครที่จะเคยมาแล้วขอนุมโมทนาทรัพขอให้ท่านจดจำไปสอนลูกสอหลานลูกเอ๋ยกำหนดหมดก ำ, กำหนดจดจำนะลูกนะ มันจดมันจําสิ่งใดงามอย่าได้งดมันจดมันจํามันจํามันจดอย่าได้งดความความดีเสียสร้างความดีแก่ตัวงดความชั่วออกจากตัวปลาสอลูกหลานลูกหลานอยู่อยู่ว่างหางผู้ใหญ่จะหลงทางได้งา่ายตรงนี้เป็นบทสอนของพระพุทธเจา้าถ้ากรมาฐานดีแท้จะไม่ว่างตรงงานจําให้ขี้เกียจจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจะทํากิจวัตรไม่พักดูพระเขาดูที่กิจวัตร ไม่มีกิจวัตรเลยเนี่มันจะเป็นพระตามพระวินัยด้วยออกมาในระบบนี้ระเบียบนี้ชัดเจนดูเอาเองดูหญิงดูตรงไหนดูชายตรงไหนก็ไม่ว่ากันเนี่ยดูชายชะการดูที่ไหนอันนี้จะไม่ขอกล่าวนี้ไปชมนี้ต่อไปก็ขออนุมโมทนาเป็นเวลาอาจารย์ยิสกสมัยนีย้หมอดโอกาสเวลาที่โยมจะต้องไปอาบน้ําอาบท่าทํากิจส่วนตัวแล้วมานั่งกรรมฐ า, านต่อไปอย่าให้ว่า เวลาการอย่าไปเมา ง, งานการเป็นประโยชน์คุณโยมเองชีวิตจะมีค่าเวลามีประโยชน์แล้วโหลดใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เถิดชีวิตจะมีค่าเวลาจะมีประโยชน์สิ่งที่มีโทษจะตัดไหมขาดก็เติมเกินก็ต้องตัดเพื่อประหยัดเวลาณนะบัด น, นี้ขออานุมโมทนาทุกทุกขั้นโดยอำนาจคุณพระศรีเลตนาใจบุญกุศลทั้งหลาย โปรดประทานพรให้ทุกทุกชาติจงประชบแต่ความสุขสั้นนี้วันรอนขอจงเจริญจะตุพิธาพรชัยสิประการมีอายุขอให้ยืนนานวันโนขอพิพันธ์พ่องใสสุขขังให้สุขภาพกายอนามัยทุกท่านโปรดได้ใจดีหลกภัยข้าเจ็บมือก็โปรดหายสิ่งทั้งหลายที่คิดไว ะบัดนี้และจะคิดต่อไปโอกาสหนะ้าจงพลังงานเน้เกิดความซํำเร็จประเดพร้อมเจจำนงความหมาดปราชนาะด้วยการทุกทุกท่านณนะโอกาสบัดนี้เทินยะทาวริวาฮาผู้ราปลิผู้เียนติจาขลาง เอวมไมวอวอยโตที่นานเปตานางอุกปกาปฏิอิจิตังปฏิตังตมหังคิดวเมวจะมิจตูสะเพปุเรนตุตรังกับปาจันโทปนละโสยะธ า, ามณิโชติละโสยะธา เวรวาจาโตสามหาโลวังโกวินาจัตตุมารเยมาวันตาลายโยอันสุเกียนเตยู่กมาวัอาภิวาจันาเสวี จาเนจางวนชาปัญญนอนคารตธรรมวัดชาติอายุวันนอรุคางอายุโทพลาโธทิโร โชปติภาณัโทสุขันธาทามมตาเมธาเวงโซธิคันกติอาวานังสุขันธปาฏิภาณัทโ โยยาตสวาหอนติยัตทายัตทุปาปจติติภาวะตัวธรรมังะรังรากขันตุสัพอะเทวะาสับอะกุฏทานุภาเว สอดเทียพวันตุเตพวันตุสัพขามังขารังราคาญตุสับกันเตวะตาสับกธรรมานุภาเวนสอดเทียพวันตุเตตุสับขามังขารัง ขันตุสัพเทวตาจักาจังกะนุหาเวนัสทาสติอาวันตุเต